ปีพุทธศักราช2491ภันศาที่4ทันจำพันษาที่เสนาสนป่าชา้าเป็นที่ทิ้งศพ น, นนิเวศ อ, อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ีเล่าประวัติต่อไปอีกว่าเมื่อเราออกจากถ้ำพระเวทอําเภอนาแจจังหวัดสกลนครก็เที่ยวาจาริกไปตามป่าตามเขาภูผาต่างๆในเขตจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีจนกระทั่งจวนเข้าพันศา จึงจำพรรษาที่เสนาสนะาป่าเป็นที่ทิ้งศพ น, นนิเวศสถานที่แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2483ถึง2484ท่านพระจานมั่นภูริสโตได้เคยมาพักจำพรรษาการเข้ามาจำพรรษาในอารามที่วางรากฐานไว้ได้ไม่นานนักรอยธรรรอยมือรอยวัตตปฏิบัตินั้นยังคงเหลืออยู่นับว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนัก คงได้เห็นความคิดสติปัญญาบางประการเป็นแน่แท้หรืออย่างน้อยก็จะเป็นการทดสอบตอนเองก่อนจะเข้าไปยังสำนักของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตมีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นสิทธกรรมฐานของท่านพระจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าในคราวที่ท่านพระจารย์มั่นพักอยู่ที่เสนาสนะป่าโนในิเวศนี้สิทธิตามอุปถากท่านพระจารย์มั่นในครั้งนั้นคือพระจารย์เทียจุนโดการแสดงธรรมของท่านพระจารย์มั่น ห้าถึงหกวันท่านจะแสดงธรรมหนึ่งครั้งติดาจกรรมฐานเช่นพระจารย์เทศเทศรังสีพระจรย์ขาวอนาลโยพระจารย์อ่อนยานสิริพระธรรมเจดีจูมพันธุโลพระจารย์หลุยจันดสาโรเป็นต้นลงจากป่าจากเขามารับฟังมทัรถถงทรสแห่งธรรมด้วยความหิวกระหายในธรรมโมชาปัญญาใครได้ใครถึงธรรมที่ท่านพระจาร์มั่นแสดงประหนึ่งว่าปลาขาดน้า เมื่อฝนตกมาชะโรมรถปลานั้นจะดีใจและลิงโลดสักปานใดท่านสีเอยพระรูปหนึ่งกล่าวขึ้นเพราะมีในตาวาวด้วยปีติท่านพระจารย์มั่นท่านมักมีปกติแสดงธรรมเรื่องจิตใจล้วนๆเช่นว่าปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกันทำจิตให้เสมออย่าขึ้นอย่าลงอย่าไปอย่ามาให้รู้เฉพาะปกติของจิตให้เห็นอยู่กับปัจจุบันธรรม อย่าส่งจิตไปในอดีตอนาคตธาตุแปดหมสี่พันธาตุออกมาจากจิตหมดให้เอากายวาจาใจนี้ยกขึ้นมาพิจารณาอย่าเพิ่มอย่าเอาออกให้เห็นเป็นปกติเมื่อใดก็าตามที่เราส่งจิตออกข้างนอกเป็นมิจฉาทิฐิให้รู้เห็นอยู่ภายในกายในจิตเป็นสัมมาทิฐิการแก้จิตใจให้แก้ปัจจุบันเมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้วพบทั้งสามนั้นจะหลุดออกไปหมด ไม่ต้องทรงใจไปในอดีตอนาคตให้ลบอารมณ์ภายนอกออกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้เพ่งนอกเป็นตัวสมุทยัยเป็นุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฐิเพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฐิจะเป็นนักปฏิบัติต้องเด็ดเดียวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ทำเห็นทำได้นี่แหละท่านคือหัวข้อธรรมโดยย่นยอ่อที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงช่างไพ่รอจับใจไม่รู้ลืมสำหรับพระผู้พิจารณาธรรม และผมก็จาไม่ลืมจนเท่าทุกวันนี้ท่านหลวงปู่ศีมหาวีโรจึงเล่าเรื่องท่านพระจารย์มั่นคราวมาพักจำพรรษาที่เสนาสนะป่าแห่งนี้และที่หนองน้ําเข็มให้ฟังทันทีอีกว่าเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระจารมั่นจะออกเที่ยว ก, กรรมฐานเป็นนิสัยโดยเฉพาะโปรดสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้ออย่างเช่นที่วัดหนองน้ําเข็มที่คนเขาเรือกันว่าผีดุมากท่านพระจารมั่น ไปทรมานผีพระยาองค์หนึ่งอยู่ดงน้ําเชม็มท่านพิจารณาดูแล้วเห็นว่าถ้าไม่ไปทรมานแล้วเห็นท่าจะไม่ไหวท่านจึงไปอยู่ดงน้ําเช็มถึงเก้าเดือนฤดูแรงมีพระยาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นพระยาอุตรนครเมืองอุดรเดิมมีชื่อเรียกว่าอุตรนครพระยาองค์นี้มีทรัพย์สมบัติมากจึงฝังไว้ที่ดงหนองน้ําเชม็มพอตายลงก็เลยเป็นผีนั่งเฝ้านอนเฝ้า ตากแดดตากฝนเฝ้ามหาสมบัติอยู่อย่างนั้นไม่รู้จีภพบกี่ชาติไม่รู้จีกับจีกันมาแล้วดังนั้นใครไปใกล้ก็ไม่ได้ใครไปเอาฟืนก็ไม่ได้ถูกขยะมหลอกหลอนทันทีหวงแหนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสิ่งของต้นไม้ใบหญ้าในบริเวณนั้นท่านพระจารย์มัน่นท่านจึงนั่งแผ่เมตตาจิตอยู่อย่างนั้นแต่แล้วผีเจ้าพระญานั้นก็หวงสมบัติอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ท่านพระจารย์มั่นพักอยู่ที่นั้น ผีนั้นเข้ามารบกวนเรื่อยๆมันมาทำท่าขึงขังตึงตงท่านไม่สนใจอะไรผลสุดท้ายมาแสดงท่าทางอย่างไรท่านก็ไม่กลัวท่านแผ่เมตตาจิตให้สม่ำเสมอท่านสอนมันว่าจะเอาไปทำใหม่ของอย่างนี้มันเป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของโลกจะเอาก็เอาไปไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่ของใครๆทั้งนั้นจะเอาไปทําไมแม้แต่ร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกในแผ่นดินนี้ ถ้าใครไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะของเหล่านี้เป็นสมบัติของโลกมนุษย์สมมุติขึ้นเฉยเฉยมันเอาไปไม่ได้หรอกเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพร่ำสอนนายวันเข้าผีพระยาอุตรนครจึงปรงใจในทรัพย์สมบัตินั้นได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกสุดท้ายจึงยอมยกสมบัตินั้นถวายท่านพระอาจารย์มั่นด้วยจิตศรัทธาพอละความยึดติดในสมบัตินั้นจิตวิญญาณจึงไปสู่สุขติ ไปสู่สวรรค์หลังจากที่อยู่ที่นั้นมานานนับกลับนับกันท่านเอ๋ยหลวงปู่ศีกล่าวเล่าด้วยเสียงภาษาอีสานเมืองอุดอรเมื่อก่อนผีดูบ้างสมัยหนึ่งกลางวันแสกๆมีควายตู้ตัวหนึ่งวิ่งผ่านกลางเมืองอุดอรท่านพระอาจารย์เสากันต์ติโลท่านไปปราบจึงหายเฮนมาจนเท่าทุกวันนี้เมื่อออกพรรษาจากเสนาสนัป่าช้าโนนิเวศแล้วหลวงปู่ศีท่านได้เล่าถึงการทุ่ดวงของท่านต่อไปอีกว่า ในปลายปีพุทธศักราช2491ได้ทุดลงมาทางแถวผาน้ำย้อยทิ่นนี้เป็นดงเสือใต้ถ้ำเนื้อผาน้ำย้อยมีแต่ขี้เสือเต็มไปหมดชาวบ้านเข้ากลางมีอยู่ 15-16 รังคาเรือนไม่มีถนนหนทางต้องเดินเท้าเข้ามาเส้นทางที่เดินไปไม่มีแดด่องถ้าเดินเดือนมีนาเมษามีแต่จกระจันมันเยี้ยส่เปียกไปหมดต้นไม้ก็ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร แต่แล้วมันก็เปลี่ยนรูปมาอย่างนี้ใครมาก็พอจะได้เห็นเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใจของเขาบ้างว่าเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พูดถึงง่ายๆน้อยๆความจริงแต่ละคนต้องหาความสงบสงัดเดี๋ยวนี้ป่าหายากแล้วฉะนั้นเรื่องของป่าก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาหลายยุคหลายสมัยหลายพระพุทธองค์มาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก, ก, ก็เกี่ยวข้องกับป่าทั้งนั้นจะได้ตรัสรู้ก็อยู่ในป่า เกิดก็เกิดอยู่ในป่าอย่างพระพุทธองค์ของเราตลอดถึงนิพพานก็อยู่ในป่าเหมือนกัน